เพราะความสิ้นไปแห่งนันทีคือความเปลิอนจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเปลิอนเพราะความสิ้นไปแห่งความเปลิอนและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีเราเอาความเปลิอนนี้ไปจับกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปที่เห็นด้วยตากลิ่นที่ได้ยินด้วยกลิ่นที่ รับรู้ได้ด้วยจมูกเสียงที่รู้ได้ด้วยหูรสชาติที่รู้ได้ด้วยลิ้นในทุกๆอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพรฒมลมเป็นสิ่งที่เราต้องมีสติสัมปชัญญะไม่เพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้น พราะความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุ ป, ปทานและความทุกข์ทั้งหลายนั้นดับลงได้เพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินปุณนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้นด้วยลิ้นก็ดีโพธิภพ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 เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใครเป็นที่ตั้งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิกษุเพลิดเพลินพร่มสรรเสริญสยบมัวเมาในรูปนั้นไซเมื่อพิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรูปนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นมิคชาละเรากล่าวว่า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 ที่เห็นด้วยตาความดับทุกมีพราะความดับแห่งนันทิปุญนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้นด้วยลิ้นก็ดีโผดทัพพะ